พระสูตรที่สิบห้ามหานิธานสูตรว่าด้วยปฏิจจสมุปะบาทพระอานนนึกว่าปฏิจจสมุปะบาทนี้ง่ายพระพุทธเจ้าทรงห้ามไม่ให้คิดเช่นนั้นแท้จริงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างรู้ได้ยากยิ่งแล้วทรงแสดงปฏิจจสมุปปบาททั้งฝ่ายอนุโลมคือตามลำดับและปฏิโลมคือย้อนกลับแต่น่าสังเกตว่า ไม่ได้สาวไปถึงอวิชชาสาวไปถึงวิญญาณแล้วย้อนกลับพระสูตรนี้แสดงปฏิจจสมุปบาทสังคมด้วยโปรดดูข้อสังเกตข้างท้ายพระสูตรที่16มหาปรินิพานสูตรบันทึกเหตุการณ์ช่วงสุดท้ายแห่งพระพุทธเจ้าจนถึงเสด็จดับคันทปรินิพานเสด็จดำเนินออกจากเมืองไัยสาลี ไปอัมพาตธิกาปาติกคามนาทิกคามอัมพวันของอัมพาปาลีสเสด็จจําพรนสาที่เวลุวะคามซึ่งส่งลงอายุสังขารที่นี่ทรงเรียกประชุมสง์ที่ป่ามหาวันแสดงโพธิปัคคิยธรรม 37. สามสิบเจ็ดเสดไปพันธคามหัทิคามอัมพาคามโพคนครทรงแสด ง, ง, งมหาประเทศสีที่นี่ เสด็จสู่เมืองปาวาเวยสุกรมาทวะของนายจุนทะส่งประชวนหนักเสด็จเมืองกุสินาราบารินิพานณสาลวโนทยานของพวกมัละกษัตริย์พระสูตรนี้มีหลักธรรมที่ควรทราบมากโดยแยกเฉพาะพระพุทธวจนะที่แสดงเจตนารมณ์ของพระองค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อสถาบันสงฆ์อย่างใหญ่หลวงในการต่อมาและปัจจิมโอวาทที่สำคัญยิ่งพระสูตรที่17มหาสุทัศนสูตรแสดงประวัติเมืองกุสินาราในอดีตเป็นเมืองใหญ่ปกครองโดยพระเจ้ามหาสุทัศนเป็นการเล่าพงสาวดานให้พระอานนท์ฟัง แต่ตอนท้ายทรงสรุปเห็นกฎของไตรลักษณ่าฟังยิ่งพระเจ้าจากักรพรรดิมหาสุทัศนะถึงจะกรองเมืองมากมายแต่ก็ประทับอยู่เมืองเดียวมีปราสาทมากมายก็ประทับอยู่เพียงปราสาทเดียวมีช้างมากมายก็เข้าท่งเพียงเชือกเดียวมีมาเหสีมากมายก็คอยปรนิบัติกราวละคนเดียวมีพัสตราภรมากมาย ก็นุ่งห่มได้คราวละชุดเดียวมีอาหารมากมายก็เสวยได้คราวละทนานเดียวผลสุดท้ายก็แตกดับดูเอาเถิดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้แหละพระสูตรที่18ชนวสภสูตรว่าด้วยพระเจ้าพิมพิสารถูกพระเจ้าอาชาศัตรูซึ่งเป็นโอรส ทรมานให้อดอาหารจนสิ้นพระชนไปเกิดเป็นยักษ์ชื่อชนะวัสสะคำว่ายักษ์เฉพาะในที่นี้หมายถึงเทวดาชั้นจาตุมหาราชพระสูตรที่19มหาโควินทสูตรแสดงถึงโควินทพรามปุโรหิตคนสำคัญของพระเจ้าที่สัมปติแนะนำพระเจ้าแผ่นดินจัดระบบการปกครองอย่างดี ต่อมาออกบวชสอนแนวทางเข้าถึงพระพรหมแก่ประชาชนท้ายพระสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าโควินทภามอย่างเก่งก็สอนแค่เข้าถึงพรหมแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าถึงพระนิพพานสูงกว่าพรหมโลกพระสูตรที่ยีสิบมหาสมยสูตร แสดงถึงการประชุมของเทวดาทั้งหลายมาเฝ้าพระพุทธเจ้าต่างก็กล่าวคาถาคนละบทแสดงความประพฤติชอบของพระสงฆ์และประกาศเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะพระสูตรที่21สักกะปัญหาสูตรกล่าวถึงพระอินมาทูลถามปัญหาสิบข้อต่อพระพุทธเจ้าเช่นเทวดามนุษย์ เป็นต้นมีอะไรผูกมัดตอบว่าริษยาและความตรนีถามว่าริษยาและตรณีเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักและสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นต้นพระอินอาศัยปัญจสิกขาคนทันเป็นผู้พาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากเข้าเฝ้าแล้วได้ประกาศปนถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะพระสูตรนี้ มีบทเพลงรักของปัญจสิกขะด้วยโปรดอ่านเพลงรักจากพระไตรปิฎกของผู้บรรยายประกอบในที่นี้หมายถึงท่านเจ้าของบทความนะครับคือท่านศาสตราจารย์พิเศษสเทียนพงว์วรรณปกพระสูตรที่22มหาสติปัฏฐานสูตรว่าด้วยการตั้งสติอย่างใหญ่สี่อย่างอันเป็นเอกยนะมก คือทางเอกและทางเดียวเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานได้แก่กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาพระสูตรที่23ปายาสิกปราชัญยสูตรพระกุมารากัสปะโตอตอบกับพระเจ้าปายาสิผู้ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ หลังจากได้ทดลองพิสูจน์ตามกรรมวิธีต่างๆของตนแล้วพระกุมารากัสปะยกเหตุผลมาชี้แจงจนสามารถทำให้พระเจ้าปายาสิละทิ้งความเห็นผิดของตนในที่สุดประสูรนี้น่าสนใจตรงที่ความสามารถของพระมหาเถระหาเหตุหาผลมาหาักล้างฝ่ายที่คัดค้านได้อย่างคมคายควรศึกษาอย่างยิ่งกลวิธีการตอบ คล้ายกับมิลินท์ปัญหามากคมชัดแจ่มแจ้งด้วยอุปมาพระสูตรที่24ปาติกาสูตรพระสูตรนี้เล่าถึงสุ น, นัขักตะิชวีขอให้พระพุทธองค์แสดงปาฏิหาริย์พระองค์ตรัสว่าถึงจะแสดงหรือไม่แสดงพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ย่อมนำผู้ปฏิบัติให้สิ้นทุกข์โดยชอบอยู่แล้ว สุนัขขัดตะไม่พอใจลาศิกขาหนีไปทรงเล่าถึงปาติกะอเจละกะซึ่งเป็นชีบเลือยถาพระพุทธเจ้าสแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แข่งกับตนครั้นเอาเข้าจริงไม่กล้าสูนาพระพุทธองค์พระสูตรที่ยี่ห้าปุทุมภริกสูตรว่าด้วยการโต้ตอบกับนิโคทะบริภาชก เกี่ยวกับการบําเพ็ญตบะที่พวกปริภายโชกถือว่าเป็นสิ่งสุดยอดพระองค์ตรัสว่าตบะที่พวกเขาถือว่าบริสุทธิ์สุดยอดยังมีข้อบกพร่องเช่นคนบําเพ็ญตบะแล้วอิ่มเอิบใจเต็มไปด้วยความปรารถนายกตนข่มผู้อื่นเพราะตบะนั้นบําเพ็ญตบะเพราะใกล้จะได้ชื่อเสียงเป็นต้น แล้วทรงแสดงตะบะที่เป็นยอดสูงขึ้นตามลำดับคือสังวรหมายถึงระวังสี่อย่างกำจัดนิวรณห้าเจริญพรมวิหารแผ่ไปทั่วทิศระลึกชาติได้ได้ทิพยจักสุเห็นสัตว์ตายเกิดตามอำนาจกรรมแล้วตรัสว่ายังมีสูงกว่านี้อีกจนป ร, ริพาชกแปลกใจว่าเท่านี้ก็สูงที่สุดแล้วยังมีสูงกว่านี้อีกหรอ ตรัสตอบว่าพระผู้มีพระภาครู้เองแล้วแสดงธรรมเพื่อให้คนรู้ตามฝึกตนเองได้แล้วจึงแสดงธรรมเพื่อฝึกคนอื่นสงบระงับข้าม้นเองแล้วจึงแสดงธรรมเพื่อการข้ามพ้นดับเย็นลงแล้วจึงแสดงธรรมเพื่อความดับเย็นเท่ากับแสดงในให้เห็นว่ายอดของตะบะก็คือการปฏิบัติความดับเย็น หรือนิพพาน